เทศนาของเก่าเรื่องของเก่าผู้เทศกัของเก่าธรรมะกัของเก่าผู้ฟังกับของเก่าคนเก่านั่นเนี่ยฟังขีดกังขี่พนกับองเก่านะธรรมเทศนาที่เทศให้ฟังก็เรื่องของเก่าไม่ทราบี่เอาไหนมาเทศอีก ทันรู้จักว่าของเก่าอย่างนี้แล้วมดเรื่องไปให้คิดดูาเราฟังเทศฟังมามากมายที่ท่านยกอุเทศคาถาเนีกับเรื่องของเก่าทั้งยัก ษ, ษีแต่ไปบ้างก็รวมคัวามางของเก่าของเก่าคืออะไร พระุทธเจ้าท่นเทศนาเรื่องใจนั่นแหละของเก่าเทศแตไร้ได้แตเรื่องของเก่าทั้งนั้นน่ะพุทธศาสนานี้ที่แสดงไปมากมายท่านแสดงไว้ก็ล้วนแล้วเทศถึงใจใครจะไม่พูดใจคนเราก็มีใจทุกคน ิเลสทั้งหลายเกิดจากใจบาปทั้งหลายก็เกิดจากใจบุญทั้งหลายก็เกิดจากใจแต่เรายังไม่ไั้เห็นใจที่ว่ายังห่างไกล จ, จากพุทธศาสนามากเทศนาทั้งเรื่องใจแต่ไม่เห็นใจนั่นเป็นปัญหาอยู่เรนายังเทศทั้มตั้ทักๆไม่ดูแลรัวจบเป็นสากที ทุกคนนั้นเห็นแต่เอาเข้ามาอย่างว่าบาปหรือบุญดีหรือชั่วยากหรือละเอียดเกิจดจากใจนะั้นถ้าหาว่าเราเห็นใจแล้วไม่สามารถที่จะทำความชั่วได้ที่ทำความชั่วนั้น ก็เหตุใจพาเราไปพาเราทำอีกใจหนึ่งก็อยากจะทำอีกใจหนึ่งไม่อยากจะทำที่อยากจะทำนั้นเพราะนิสัยสันดาษอยากจะทำความชั่วหรือหากจำเป็นที่จะต้องทำความชั่วอย่างว่าอยากไม่มีอันยืนอันกิน เห็นเขาไปอยากรักขโมยของเขาหาโดยกลงไม่ได้หารักหาขโมยเขากินอันนี้ไม่ไม่เห็นใจไม่ตกงถ้าหากเราไปเห็นอีกตรงหนึ่งอีกตอนหนึ่งว่าทำควมชั่วมัวมองทำควมชั่วแล้วนั้นได้รับผลของขวมชั่วหมายความว่า ทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วทำบาปต้องได้บาปคนอื่นรับให้ไม่ได้ตนเองเป็นคนทำตนเองเป็นคนรับถ้าเห็นโทษอย่างนี้ไม่มีใครสามารถจะทำคนชั่วได้เห็นนั่นใชงว่าเกิดจากใจ อันนันม่นมยากอันนั้นอยากทำนั่นเองต่างหากจึงต้องฝึกหัดใจอบรมใจให้อยู่ในบังคับของตนบังคับใจได้แล้ ว, ลวก็นิ่งเฉยอยู่ทีเดียวที่พูดถึงเรื่องใจคือพูดถึงตัวเดิมตัวเดิมแท้นะ่คือใจ คนเราทั้งหมดทั้งตัวนี่นะมีใจเป็นไงอย่างนันเทศนาปุกมโนปุกพังเขมาธรรมาท า, า, าทั้งหลายมีใจถึงก่อนมโนเศรษฐามโนมายาสำเร็จแล้วโดยใจอย่างนี่เป็นต้นเหตนั่นไงว่า พุทธศาสนานี่สอนทั้งใจดเดียวถ้าใจอย่างว่าใจของเรางดเว่นจากการรักษาให้จากการโทษนนั้นเรียกว่าศีลคือเจตนานั่นเองศีลคือศีลตัวเดียวไม่ต้องหลายตัวเจตนาเท่นานะั้นฮะลดเรื่อง ขาสัตว์ถ้าไม่มีเจตนาขามันก็ไม่ใช่ไม่ใช่คิดสินอย่างเราไม่เห็นเราไม่คิดจะากขาแต่บังเอิญไปทําให้สัด์ตายหรือเยียบสัด์ตายเพระนั้นคิดอยากสิ่เจตนาคิดตั้งใจจะขาแล้วก็พยายามขา รักในแม่ขอมีชีวิต้าให้เจตนานั้นนั่นแะจึงจะขาดจากจินรักของเื่นกันเรารักเราขโมยของเขาเจตนาจะเอายิงจริงจั ง, จงไม่ใช่ว่าเห็นของตกห ล, ล่นเราเราเก็บมาไว้ถ้าหาเจ้าของเข้ามาทวง เรียกของเขา้าในถ่วงกรต่างอันนั้นเราถือเป็นการาจิตของเราถ้ามาท่วงแล้วให้เข้าไปอันนั้นจะเป็นเจตนาเท้เป็เจตนาทางนั้นความเชื่อตรงนั้นน่ะเชื่อว่าทําดีได้ดีทั้เชื่วแลยจนนั่นเป็นต้นเหตุของพุทธศาสนาให้รู้จากต้นเหตุเขาจากต้น ตอนตอนเดิมของพุทธศาสนาเทงคือความเชื่อสัตทีธวิตตังบุริสตะเศรษงังศรัทธานั่นเป็นภาพมันประเสริฐของบุคคลของมนุษย์บรษจินชายทั้งหมดเกิด ค, ความเชื่อจังนั้นชื่อทำดีได้ดีท่นเชื่อได้ชื่อ เชื่อว่าทำํำบุญได้บุญเชื่อว่าทําบาปได้บาปศรัทธาแต่ในเรื่องของสําคัญเจ็ดเบื้องต้นทุกศาสนาต้องอาศัยศรัทธาในขนะศรัทธาในศาสนานั้นนั้นอยู่ด้วยศรัทธาแล้วทวังบนทนทานต่างๆไม่ใช่ทําโดยโดยความรุ่มหลง ไม่ใช่เดี๋ยวความสนุกสนานเพลิดเพลินขหมู่ไปเที่ยวสนุกเล่นกับเขาศัทธามันต้องเกิดภายในใจคิดเอาไปทำบุญแล้ววันนี้แหละันไี้ก็ะตามเถอะทอดพระค่ามนะพระเจ้ า, าคุณจะทำบุญขาพุทธรูกก็ได้ตามโบสถ์ทางวิหารก็เอาเถอะจิตตั้งใจ ที่ตั้งใจมั่นคงในการว่าเราจะทำบุญเราทำแล้วต้องได้บุญแน่นอนงานนั้นเน่ะเป็นเบื้องต้นยังเห็นยังไม่เห็นบุญอีกสักทำจะไม่เห็นบุญให้รู้จักตัวบุญพูดัง่ายๆพูดรวมๆกันว่า คนเราเนี่ยเป็นตัวบุญถ้า ม, มีตัวของเราแล้วก็ทําอะไรไม่ได้ไม่พูดง่ายๆบาปคือตัวเราเนี่่ะเป็นบาปถ้าตัวเราไม่มีแล้วทาบาปไม่ได้อันนี้พูดไม่ง่ายพูดเข้าให้ละเอียดเข้าไปว่าบุญคือความอิ่มใจบุญคือความพอใจ บุญในการที่เราสละจะากะลงไปแล้วเต็มตื่นขึ้นมาภายในใจอันนั้นะเป็นตัวบุญแท้บาปกงเงนินถามเราคิดจะประทุษร้ายคนอื่นทำลายคนอื่นเช่นตีศีรษะเขาลึกขโมยของเขาอันนั้นเป็นเจตนาภายในใจ นั่นเลยเป็นตัวบาปบาเพราะเหตุที่ใจเศ้าหมองคิดจะขโมยของสาวนันต้องเศร้าหมองเมื่อเศร้าหมองแล้วก็แอบแอบี่ลี่ซุกซุกซ่อนอยู่ใช้โอกาสเมื่อไรกันลักของมือนั้นขโมยของมือนั้นขโมยแล้ว ความเศร้าหมองนะั้นไม่หายสากทีติดอยู่ในใจของเราตลอดเวลาทำโอยของเขารวยๆแต่เป็นหมื่นเป็นแสนคนนี้ย้อนนกถือว่าเป็นบุญมันไม่ใช่บุญนะนั่นบาปคือความเศร้าหมองภายในใจเห็นด้วยใจของตนเอง ให้จะชมเชยยกยอกชมเชย่อนมาเชยอย่างไหนก็เอาเถอะคิดว่าของเราลักเข้ามาแล้วขโมยเข้ามาแล้วกุงเข้ามาเห็นชัดในใจตัวตนอย่างนี้มันจะเป็นบุญยังไงมันก็เศ้าหมองตลอดเวลาซึงเราจะไปซื้อสิ่งของต่า ง, างมาใช้มาสอย หรือซื้ออาหารต่างกินอะไทุกเส่ยงทุกอย่างซื้อมาทานน่ะทานเอาไปก็ยังเศร้าหมองในใจนั้นต่อดเวล า, างานนิ่งน้ำเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลือไปเลี้ยงลูกเลี้ยงผัวเขาบาปนั้นไปเลี้ยงอีกคนอื่นอีกบาปนั้นยังเอาไปเลี้ยงคนอื่นคนอื่นก็เป็นบาปต่อไปคือมันหัดนิดสัยเขาเอง ให้มันเป็นบาปอันนี้แหละตัวบุญตัวบาปอยู่ตรงนี้แหละไม่ใช่อื่นใครจึงว่าสัท ธ, ธิทวิตตังปุริสัสสเสทังปัญญาสัทธานั่นแหละเป็นปัญญาของบุรุษปัญญาในทิ่นี่หมายความว่ารู้จักดีจักชั่ว ไม่ใช่ปัญญาอื่นใส่ปัญญารู้จักดีจะชัว่วรู้จักปีจะถูกนั่นแหะตัวปัญญาท่านยังพูดต่อบไปอีกว่าปัญญายะไปไท่านท่านพูดต่อไปว่ า, า, าราัทธาตะปฏิอุขังนั่นเนี่ยพูดขึ่งสูงขึ้นไปอีกสัทธาน่ะเป็นเครื่องขามปูคะปูคะหมายรวมถึง